ชว้นทีาเมื่อวานนี้ได้ที่บายจบแล้วนะครับระไกรจีวรสังขติจีวรก็สมองตั้งแต่เรื่องพระความไปไปเปนมาเรื่องสร้างทรงนิยากจีวรแล้วก็วิการณิฐานสที่ใช้ย้อมแล้วขนาดแร่หินมาอยากอหญ่แร่ใหญ่ใหญ่ก็วิธีสณิขานด้วยการระบายจารว่าแล้วก็ได้ว่าข้าที่เหลือต่อไปนะครับ ข้อที่สองผ้าวัสิกาสาหลกหรือผ้านผอนาผนประทมเพรฯแห่งการอนุญาตผ้าวัสิกาสาหลบหรือผ้าอนาผนพระเมา่อ้าเสด็จจากกรุงพานสีไปประทับอยู่ที่พระเชตวันเพรกรุงสาวกสีนางวิสาสาได้กราบคินีมณีไปฉันที่บ้านพร้อมด้วยทุกสิสง่ง เมื่อเตรียมพัฒนาเสร็จแล้วจึงส่งนางทาสีไปกับเชตาวันเพื่อแจ้งข่าวว่าได้จับพัฒนาเสร็จแล้วเมื่อนางทาสีไปถึงก็เป็นเวลาที่วิสุทธ์หมายกำลังเตยการอ่านหน้าโผมกันอยู่นะครับพอน้ำฝนตกพอดีนะและวิสุทก็อ่านหน้าโผงข้อเก่านะอ่านหน้าโผมการแจ้ง น, นะครับวิสนะุทธ์ก็คือการอานน่านะน้าโผงจริงนะตรงนั้น ทีนี้นางทานสีก็เข้าใจว่าเป็นผู้อาชีวอาชีว์ของเขาก็เห็นแต่เปลือยนะไม่เห็นสมงองชีว์วเลยนะครับเนื้อพวรชีเปลื้อนเขาจะเป็นอย่างนั้นจึงกลับมาแจ้งนางวิสาขาว่าไม่มีที่สุอยู่ในท่าเชตวันมีแต่ผู้อาชีว์กําลังอาละอ้อนอยู่นางวิสาขาก็าสามารถเข้าใจได้ ว่าพิสูจน์ทั้งหลายมาเปรยการอา่านนะผมกันอยู่เนี่ยความีปัญญาไรู้ได้เลยนะครับไม่ใช่ชีโปรชีเปื่อยไหน <c oughs> หรอกมันอยู่ในว่าก <c oughs> ็องทงังนั่นแหละใช่มร้องฟังเยการนะผมครับนีนะเมื่อได้โอกาสสมควรความจริงเรื่องแล้วจะเยก่มนี้นครับอันนี้นท่านก็ลำบากยยก็นะอแต่ก็บอกให้คนสาวใช้นม่ไปทีนึ่ง น, นะ พอไปทีหนึ่งก็ไม่เห็นพิสูจนท้งหลายนะครับก็อเห็น่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็กลับเข้าที่อยู่นะแล้วก็ทูนที่เช้าเขาก็พิสูจก็เสด็จใหม่นะครับรู้สึ ก, สดดกนะ ว, ว่าจะมาด้วยนิดนะฝนก็ตกหนักนะแต่ว่าสมมงกิววไม่เปลี่ยนเลยรนะู้สึกว่าครั้งที่บอกว่าเป็นฝนตอกหนักนะอะไรอย่างที่ตอกในร้่งสิบจะดูในเรื่อ ง, องหลั เมื่อได้โอการสมควรนางวิสาขาองค์าคุณขอพรจากพระผาเพื่อถวายพระอาคผมแก่พิสุสงโดยก่าวคุชี้แจงเหตผลว่าการเคยการไม่งานน่าเกียดหน้าชังพระผู้ก็ผ้าก็ส่งนิญาตให้ถวายพราอนานผมได้ตามที่ขอและจึงสองนิยาผ้าอนาคผมแก่พิสุธรรมนี้คือต้นเหตุของพระนนาคผมความมานนี้นะ มาจากเนี้อสัตาาว์นคืองอทาทีนี้ขนาดของผ้านังขนด้านยาวนต้องไม่เกินกว่าหกคืึ่งพรนสุพจน์ประมาณห้าเมตรนะครับห้าสิบเซนติเมตร้ยห้าสิบเซนก็อันีส่เมตห้าสิบนะครับสี่มห้าสิบเซนด้านกว้างต้องไม่เกินสองคืคึครึค่งไอ้สครึ่งพันสุพจน์ครับ ประมาณหนึ่งเมตรแปดสิบเจ็ดเซนติเมตรครึ่งนะครับถ้ายอนกว่านี้ใช้ได้ไม่มีชาทผ้านนาผมใหญ่ขนาดนี้นะสี่ไม้กวานถ้าไม่มีนะใหญ่จีวอลอีงนะเนี่ยครับแต่ว่าใหญ่ห้าเกินนี้นะสมัยนี้ไม่เกินอยู่แล้วนะครับด้านด้านยาวด้านกว้างกาไม่กวานก็ไม่มีนะนะนี่ขนาดจีวองสมัยนี้เลยครับต้อนั่กว้างนะ อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับท่าหย่อนตรงนี้ก็ใช้ได้ไม่เป็นไรคลสิเกี่ยวกับท่านะผลอันนี้จะยังไม่อธิบายนะจะไปอธิบายสิขาหมดเกี่ยวกับทานะผลผลิตรา น, นั้นทีเดียวครับเรื่องเคลสายเค็กระทําเคตเรื่องเคิฐานนะปธิบายนั้นทีเดียวครับพวกมีคําอธิบายลนะยนะเอียดนครับนะนี่ก็มาดวิยทยาพิษฐานนะวิยทยาพิฐานท่านะผล ผ้าน้ําฝนไม่ต้องตัดเป็นขันเรม่ตองตัดเป็นขันขันนะครับและติดอนุวาเหรือผ้าสมบองก็ไม่ต้องตัดเป็นขันอนุ瓦ก็ต้องติด น, นะเป็นผ้าคืนเดียวธรรมดาใช้ได้ครับย้อมคอให้เสียสีเท่านั้ออนนะก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สีที่สมควรแลมาย้อมแต่ย้อมแล้วมาเจอะมาต่างๆเมา่อไห า, มมา่าก็ไรนะครับขอให้เสียสีใช้ได้นะ ทำกับป่าพิณท่แล้วอธิษฐานว่าที่มังวสิกสาสนาสาิกาอธิษฐานนี่ข้าพเจ้าอธิฐานผ้นาผนานี้เป็นผ้าหน้าฝอธิษฐานานี้นะอ น, นุญาตเพี ย, ยงถืนเดียวเท่านั้นถ้าเราสี่เดือนดูฝนผ้า้าผลานะที่เราจะอธิษฐานเป็นผ้า้าฝ ก, ก็จะต้องเราสี่เดือนือผลนะครับคือช่วงเข้าปรรษาสามเดือนเนยครับ แล้วก็ออกันตายอเดือนนะอันนี้คือสิ่งเดียวไม่มีผลครับเทียมดิษฐานใช้น้ำผ่านน้ำฝนได้ต่อจากนั้นให้ถอนว่านนะพอลอยน่าฝนและไม่ถอนครับอิมังวัสิกาสานติกรรมปัจจุทธามิข้าพเจ้ายกเริกผ่านน้ำฝนผืนนี้และอถืนนี้นะครับแต่จะมีตลาดที่ด้วยครับแล้วให้กลับเก็บไว้นะครับพอหน้าผนเขาสัปดก็เอามาใช้ต่อ นี่ว่าจะอธิฐานเป็นบริฐานโจมอะไรก็ได้ครับอธิษฐานบริฐานโจใช้เลยนะครับครับาท่านอธิษฐานถ้าวิ่งกลัก็บไปเนี่ยก็ต้องต่อไปถ้าจะเอาอะไรต้องเอาอนุาลอธิษฐานบริฐานโจนนมได้ครับก็เกิดนี่ไม่ใช่ดูฝนแล้วนะเพราะว่าข้าดเป็นผลางใจจริงเราเขาต้องหข้ ผ, ผลังฝ อาน้ำจริงเขาถอดน้ำในศาลในเรืนจะมีวิธีนะไม่ได้แก้ผ้าแบบเอาไปเลยนะครับไม่ใช่งั้นนะค่อยลงไปแล้วค่อยๆเอาผ้าขึ้นอย่างนี้นะครับให้น้ำเป็นเชื่อมปกปิดนะครับไม่นั้นนะไม่ใช่ต่างกันปกปิด็ค่อยๆยอมครับก็มีวิธีนะ ล้วก็แมงมัมนั้าเปลี่ยนครับให้ค่อยลงไปหาวิธีอะไรก็ได้ครับจะให้ปืนลงไปก็แล้วกันนะจิตหน้าจิหลังครับโอ้ยไม่ดีนะครับมันจะมีวิธีนะหมอที่ไหนจําไม่ได้ ผขไม่ได้เ็ น, นการแจ้งน ม, มงึงปกปิไม่ใช่ข้องกิด <c oughs> ไม่ใ้อปอปกปิด <c oughs> คือ น, น ะ, ะ, นน ะ, ะแล้วก็หุนปิดคืออะไรไม่รู้คือลำบางใช่ไหมมันจะางมันไปบัวหาอะไรปิคือเวลาอาน้อันนั้นเวลาค่าถุงจอนชีไปก็ยังหมดนอันนั้นได้แต่นี่เวลาอาบน้ำไม่ใช้ทำอย่างนั้นนะ เอาเอาความจริงสมัยนี้นะครับเราไม่แก้ผ้าเราก็เด็ดตูมนะหรือปิดหน้ากดหลังแล้วไม่ได้ทำอย่างนั้เราก็มีผ่าต้องขนไรซึ่งฉันไม่ช่บเล่นดยฝนแล้วก็อุนธรณบริหารโจหรือบางคนก็ไม่ได้อุทธ้าน้องขนเลยครับอย่างว่าผมเนี่ยเป็นโจตลอเลยตลอดต้องดูฝนต้องดหนาวต้อร้อนนะเป็นบริหารโจต่ลอดแต่ผ้าน้องขนนะครับผมในอุทธบริหารโจตลอดใช้ตลอดเพราะอ่านนั่นในห้องน้ำก็ไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ได้ พ่อมีเครื่องปกปิคือติดสายคู่พ่อครับกํากบังนะนี่นะครับต่อไปครับนี่ตอยริกับครับการริกับนีะผ้าที่พิสูนได้มาขนาดตั้งแต่ด้านยาวแปดนิ้วพัสุค้นก็ประมาณห้าสิบเซนติเมตรนครับอันนี้ผมเขียนไว้ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะหนึ่งขึ้นพสดคนตั้แต่เจ็สิบ้าเซนติเมตร กจะมีวิธีวาในคูบาร์ใ ah, ช่ไหไปคานวณประมาแล้วนะก็คือหนึ่งนิ้วเอาหนึ่งนิ้วพื้นทุดคนอนหนึ่งนิ้วพืทุกคนเนี่ก็จะได้นะครับประมาณหกเมตี่สิบห้าเซนหนนิ้วนุกคนนะครับได้หกเมตรสิบห้าเซนครับทีนี้หนึ่งครึมเนี่ยมีสิบสองนิ้วใช่ไหมเราก็หกนะครับหกจุดยี่สห้าเนี่ยคูณสิบสองมันจะได้เจ็ดสห้ามินครับ แต่ถ้า 6.25 มันเป็นคูณ8 8นิ้วหัว8นิ้วเป็นคนนะครับก็จะได้เท่ากับ5เซนติมนี่ครับนี้นะด้านกว้าง4นิ้วก็ประมาณ25เซนติเมตรนะครับเพราะมันขึ้นของ8นิ้วใช่ไหม8นิ้ว50เซนขึ้นแล้วคือ25เซนติเมตนะครับานเงี้ยฮะขนานแรกสุดเราต้องต่็นขนานขึ้นไป ถามไม่ได้อิฐฐานใช้เป็นท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเคยอิฐานแต่ถอนไปแล้วและไม่ใช่อยู่ในช่วงที่เราอันสงพรรษาหรืออันสงถินที่สูสารมารเก็บข้อครองไม่ได้เพียงสิงบวันตีเข้าศีรษะบอกวิสุทธี์ไปตีเข้าหนึ่งที่เราเสด็จออไปนะครับแกมเป็นเดทีวอนไม่ได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งซึิงครับถ้าที่รา้ขณะนี้นะครับ ว้างยี่สิบขนะ้ายาวห้าสิบนะเขียนไม่ได้สิบว่างเป็นอย่างยิ่งถ้าเกินไปถ้าเกินนั้นก็จะทําให้ต้องอาลัมบัตต้องอรำบาก น, นะทีไปดีการวิกลับถ้าเป็นวินัยกรรมที่มีประโยชน์เพื่อการเก็บถ้าไว้โดยไม่ต้องอาลมบัตถ้าใช่แปลว่าวิกลาบนละวิกลาบที่เจอในบาลีในไวยากรณ์านะแปลว่าการกระทําโดยพิเศษ แต่ว่าการกระทำพิเศษหรือว่าการกระทําอย่างต่างๆนี่นะแต่ถ้าอาหาให้อันนี้แปลตามศัพท์นะถ้าแปลแบบที่บานนะทิบาล์แปลทีบานประมาณคืวิกลับคือการค้อนเป็นสองเจ้าของไม่ให้ตนมีกรรมสิทธเด็ดขาดอยู่ในผู้เดียวของเแต่เมื่อทาวินัยกรรมนี้แล้วสามารถเก็บข้าวไว้ได้โดยไม่เป็นอาบัติแม้จะล่วงสิ้วันไปแล้ว คือเราอาจจะยังไม่ไม่ต้องการที่จะทิฐาาเป็นผ่าอะไรนก็ต้องการที่จ น, นเเฉยแล้วก็วิกลับก็คืออย่างนี้นะครับไปทั้งเป็นสายของที่มาดูนะวิธีวิกลับเป็นยังไงวิธีวิกลับผ้าแบบง่ายๆนะครับถือผ้าที่ประสงค์จะวิกลับไปหาที่สูตรรุ่นใดรุ่หนึ่งก็ได้ผู้เข้าใจเกี่ยวกับวินัยกรรมเรื่องนี้ ผมผ้าชิเมียงบาการในสำนักี่สูจนั้นว่าอิมังจีวรังตุยังมมิกับเป น, นี้ผมมิกับผ้าผืนนี้แจกท่านนี่นะพูดนี้นะครับอิมางจีวรังถามกับเป น, นี้นะครับถ้าผ้าอยู่นอกสถาบานจะให้ใช้ชเอตังแทนอิมังนะผ้าอยู่ไซน์ใช่ไหมถ้าผ้าหลายผืนก็วิกับได้ะนะครับนี่มันนี่ อไอนะ้นบอิวาร์หลักผิดมาตั้งพักเลยใ่หอ่นนะครับแล้วก็มีกับยางไม่ได้ให้เปลี่ยนอิมาจีเวลาเป็นอมาน่จีเวลาหนี้นะครับหรือเอตานจีเวลาลองเป็นเอตานิจีเวลานีนะครับนี่พิกับมันง่ายนะผมจะถามว่าเราจะมีกมับสมมาเนได้ ไ, ไ, ด, ได้ได้ค ร, รับกัสาวเขาไม่ใช่้ามเลยที่จะน้ารนะะ่นี่ยิสุพสุนี้ขาับ ทำไม่ไร้ทำไม่ได้เนหนึ่็นครับอันประวิกรรมเนเกมก็ไ้ประวิกรรมฆ่าไงขอให้คนนั้นเขารู้เรื่องนะว่าไรนี่คืออะไรู้แล้วนี่นะฆาเนองของการทำวินัยกรรมไงทำวินัยกรรมในการพูดคํา ม, li มันตกไปแลวก็สามาิบ <bury> ถ้าที่พิกรรมอย่างนี้แล้วนะครับใช้สุษามากเก็บไม่ได้เราสามากเก็บไม่ได้เจนสิบนวันจนเดือนจนอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ได้ได้ตลอดเลยนะครับไม่ตามบังเลยนี้แต่ว่าจะใช้สอนเองสอนให้ผู้อื่นเดื่องพิฐานไม่ได้นะครับพ่ออะไรนี้ไม่ได้สอนนะเราต้องทำวิรณ์นี่วิจารณ์เพื่อประโยชนจากการเก็บไว้เฉยๆไปทําอะไรซึไม่ได้ แต่เมื่อพิสูจน์ผู้เล่าพิกลขอว่าเมาื่อไหร่เราต้องการใช่ใชไหมหรือต้องการแปสมายผู้อื่นก็แล้วแต่เราก็กลับไปหาท่าลูกเก่าครับที่เราจะยึับท่านาานะเป็นท่าในส ม, มัยก็ได้นะครับแล้วก็ให้ท่านช่วยขอให้เราเนี่ยเราการใช้นั่นคือช่วยขอถือมาแต่เมื่อพิสูจผู้รล่าพิกลถอนว่าอิมังชีบวลังต้องมีคำนี้ขึ้ม า, มาก่อเนี่ยอิมังจีเวลังถ้าพลาดเพียงเดียว ขรัน์เปี่นก็อิมานิชิวารันินอาะเอตาชีวรเอตาน้ชิวานก็เปลี่ยกมาตามครัวครับเราต้องต้องทำในการเด็ดก่อนตอนทีเราเดิกลับซ้ำนพระพิสูจน์องค์เดิมองคเดิมองค์อืไม่ได้องค่ไม่ได้ถ้าว่าองค์นั้นน่ยแกย้ายรับไแล้วทําไงดีท่านร็บอกว่าให้ไปี่กลับใหม่เลยครับนั่นกล่าวถือว่าโมฆะทีเราเกิ ก็ไปยีดกลับใหม่แล้วไปถอนตอนนั้นเลยครับ่านี้ครับแล้วคุณยังไงที่กก่าใช้กับ้านถอนนะใช่ครครับใช่ครับก็มาใช้สอยนะรัได้เก็บว่าเฉยๆนะไม่ได้นะครับเก็บว่าเฉยๆนะว่าเก็บว่าอย่าง ไม่หาสุนตกาลหรือไม่หาสุนตกาณนี้นะักฆ่าหลายถึงก็จะเป็นสุนตกาณนี่ครับปริพุนชาาื่อว่าวุสันเชหีวายะถาปัจยยังวงกระโดนีผ้าของผมหรือภ้าผู้หลายของผมทั้นจงใช้สอยจงสละหรือจงทำตามสงควรแก่เหตุเถอดดังนี้แล้วนะครับอันนี้เขาสอเราเรียบร้อยแล้วนะจึงยังสามารถใช้สอยเองดูแไม่ต้องอิจฉาสมาให้ผู้อื่น อาญษฐานหรือแม้เก็บไว้ก็ได้ได้เท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าเราจะไม่ญาติฐานเลยก็ได้นะที่ในดีการที่มติบอกไว้นะครับผ้าที่วิกลบแล้วถึงแม้ของวิกลบเส็จแล้วนะครับก็เชื่อว่าเป็นผ้าที่ได้วิกลบไปแล้วนั่นแหละจะนจะเก็บเาไว้ร่วงผีวันผี่เดือนก็ไม่ต้องหอาออกเพราเก็บท้าไเกินสิบวันนะครับแต่เหมือนกันนะั่นแล้วก็วันที่ อีจับไ้จริงแล้วแล้วกาใยาวเลยครับมื่อ้อขอกลับแล้วนะเมื่อก่อนเข้าใจว่าไอ้ขอแล้วมันก็น่าจะหายถอนยีาที่มันกลับนะครับเนี่ยจะไปดูดีการใช่อว่าก็โดนหน้าจะไม่กลับลนะครับเก็บม่ใช้ได้ด้วยแตคือมีกลับแล้วเก็บไว้ใช้ได้ด้วยยังไม่ได้ถอน่หมับเอ้อต้องถอนนะจะ เข้า ถ, uur ถ uur ึงทอนแล้วนะครับเม้นไม่แน่ทิฏก็ไม่แปลดีแหลกจรก็ถือว่าเป็นพลาที่ได้ทให้กัลไปแล้วนะครัแต่ว่าต้องต้องถอนนะใช่ต้องทอนแล้วทอนแล้แล้วทอนแล้วทอนแล้วทอนแล้อนแล้วทอนแล้วทอนล้วทอนทอนแล้แล้วนท้้อน้ ชอบเป็นของล้อนะก็ใช้ได้นูเพราะวันเป็ารไปให้ใครอะไรก็น่าาันปัญหาต่อไปนะครแต่ว่าอันนี้ชอบข้ามนะเป็นเจลียดนู่นนึงไปตีเขา้างไสามข้างสิท่าหน่าหรือข้าวลองน้นปรถมเหตแห่งการที่ยากข้างหน้าหรือข้าวลองน้ำสมัยน้นสุทั้งหลายสนมาหาอันตนี อะไเป็นเนี่ยนมไข่ในสายในข้องไหนเนี่นะที่ปรีย น, น, นะครับจำว่าเราหาสติสัมปชัญญะเป็นเหตุให้น้ําสุติออกมาเพราะความฝันนี่ไงสุติเคลื่อนเวลาฝันพ้อไยเนี่ยลำหาสติสัมปชัญญะนะครับเ <c oughs> สนาชนะเปเื่อนน้าสุตีนะครับมันก็เคลื่อนเตียงเพื่อนต่างใช่ไหมสติเคลื่อนนะ้าิ้วเคลื่อน ฉลอกแล้วมึงก็ทะลุใช่ไมหมครับแบบเสียงต่างบ้านสียงตึงครับผ้าผราผ้าสองมีอสองซ่าเจริญญาผ้านิสิทานาหรือผ้รารองนั่งเพื่อรักษากายรักษาจีวรรักษาเสนหนาครับตรง น, นี้ในวิทยาลังกรรารณ์การพน า, นาว่าควรนุ่งผ้านิสิทานาเพื่อรักษากายเป็นต้นจากกรงเครื่องของน้ำพุชิเป็นต้น นี aroma, ่นะก็ไว้ปูเวลานอนครับหรือของท่านก็คือนุ่งเลยนะในมี่ย่างนั้นการนะผมว่าให้อาผ้านันมานุ่งได้เลยครับเวลาตลาบนะผมก็นุ่งไอ้แต่ไม่ใช่นุ่งพื้อที่รู้แต่ว่าเคยได้ฟังมาว่าเขอจะเอาเอาชาเนะครับเป็นส่วนมันนะครับนี่เออมันมีค่าที่ว้านให้นะครับต็ดนะครับติดนะเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะ มันจะมีชายนุ่สาวชายใช่ไหมแล้วก็เวลานุ่มาเมเดียมันต้องมันต้องท้กอันเนี่ยสอเข้าไปในหัวหาใช่หมครับแล้วก็เอาชายมาบ้านนะแสดงว่าชายต้องยากันแล้วแล้วก็หมอบมาแล้มันก็จะลุกดีนะนั่นแหละมันก็หลายชายหน่อยไงลเพราะว่าท่านหน้าก็มาโดนน้่เยอะครับมนไมกด่อย แล้วเราต้อับเียนนอนันได้ ชงทงาหีมามาาี่นี่เดีันนี้เต้าน่อ๋อครัรัออทำอง้นะแต่มันต้องฝืนแบบใหญ่เท้านนะครับด้ไหนี่ถามวิธีก็แล้วกันที่มันจะป้องกันได้ น, น, แาานแะแต่ว่านะาครับปัง้คืออะไรรักษารักษาจิตรักษาแิตนา แต่ความจริงไม่ได้ใช้เวลาเวลานอนหรือการตื่นตีเพื่อนอย่างเดียวนะเวลาเราไปนั่ง น, นะครับเสนาธนส่งก็แล้วแต่ถ้าเราผ้าเสนครูรองก่อนเนยะสมมติว่าเป็นไม้ใช่ไหมเราคนจะไปถูกต้องไม่ได้จะเอาบัตรใช่ไหมครับเราก็อนที่จ น, นั่งไปรองก่อนนะครับรัากษาการด้วยนะพ่อบางที่เนะี่ยพื้นมันเปื่อยเปื่อนนะครับถ้าเราไม่ผูผ้าร่างการจะเปื่อยได้นะครับแล้วก็รักษาจีวรแล้วนั่งตบน น, นี้ิเสนา จีวรก็ไม่ขื้นนะครับแล้วก็รักษาสิลหน้าด้วยนะครับไม่ก้างไม่อะไรแล้วเมื่อใครไปโดนนะเนี่ยเปลี่ยนศีลหนาันได้เยอะหลายอย่างทีนี้นะครับมาดูขนาดของข่าศิลหนาหรือข้ารอนั่งด้านยางสองคือประสุคอประมาณเมรห้าสิบเซนะครับไม่ต้องกลัวแล้วนะใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะครับเมตรห้าสิบ ด้านกว้างหนึ่งคออรึ่งครึ่งโดยครึ่งพุทธคตก็ประมาณเมตนสิบสองเซนติเมตรคึ่งครับและชายที่ด้านหนึ่งของฝืนผ้าอีกหนึ 1, ่งอคอรึค่งพุทธคตครับประมาณสิห้าซติเมตรเอชายที่สามฉากมานะมีไ ด, นะด้เจ็ดห้านาทีครับมืวิธิธรรมวิธีธรรมและอธิษฐ า, า, านผ้าสีนทาหรือผ้ารองนะั่ง ให้ปูรากผ้าที่จะทาเป็นสีธนาลงให้รางนะครับแห่งที่ชายค้าด้าหนึ่งสองแห่งประมาณหนึ่งคือเป็นคูข้ อ, อยาสูงสุดก็จะได้สามชาก<ม>ลองดูที่ผมวาด้าดให้ดูนะครับดูด้านยาวนะติดนะครับติดนะด้านยาวที่ข้างบนนะครับก็คือเมตรห้าสิบด้านกว้างคือลงมานี้นะครับก็คือเมตรสิบสองึ้นนะ ทีเวลาเราแหวกชายนะเวลาเขาตัดนะเข้าตัดหมดไปเลยเข้าไม่ได้มาต่อของเรานะครับเนี่ยเอาผ้าผืนเดียว น, นะครับแล้วก็มาตัดเข้าไปได้เลยนะครับหลวกจนไปไ้เลยแล้วก็เนี่ยเข้าปังนะครับเจ็ดสิห้าเปอซ็ครับเนี่ยต่อมาจากที่ไล่นสองนะนะก็ได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็ความจริงเมื่อก่อนพวกนี้แม้ลุยอาชายนะครับมีแต่ด้านยาวกับด้านกว้างเนี่ยนะ พอดีทาขมีตัวใหญ่นะครับโผล่นะหน้านะตรงหน้าพระพุทธเจ้าเลยนะครับและทีนี้ตัวท่านใหญ่ทังหน้าไม่พอครับท่านก็ดึงลักษณะออกนะครับข้างนั้นข้างนี้นะครับอี่แล้วพระเจ้าตรานก็บอกว่าพาพุทองค์เนี่ยทรงมียาท่ายศนะเล็กไปครับไม่้าเนเนี่ยนะคลกไนะครับเนี่ยแสดงว่าคนสมัยก่อนไม่ธรรมดาของเรากี่ไม่ถึงแม่นะ ไม่ถึงนม่เลยครับคืกอกนีูยาค่เนี่ยส่วน้นึ่งคนสมัยก่อนกูยานจริงครับที่ธรมดานะผงก้อนปูายาชาที่จะเป็นา็ครับนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ไม่ต้องกับปั่นคุกก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะอกมาุูมาหมมล้วก็ทำ ป, ะ ป, ะ ป, ะปักปักนครับเอาคุกค่ะ และอธิษฐานว่าอิมังนิสีทนังอธิษฐานนี่ข้าพเจ้าอธิษฐานภาพผืนนี้เป็นพันสีทนะในฐานนี้คนครับอนุญาตให้มีได้เดียวผืนเดียวเท่านะมีแต่นืเดียวนะภาพข้าพเจ้าที่เห็นเอาตะบองรมาปูนพราะอไที่มาเจอมาด้ครับเพราะอะไรมาไม่ด้ว่านสีทนะคราบแต่เท่ามาปูแทนก็ได้ เก่หมอนมเกิดอั น, น้นเขาเขามา่ที่ฐานะมเป็นนิจินาแล้วเไม่เกิดอย่แต่ถ้าจกที่ฐานไปนี่นะถ้าปริทิศขาและจล้องมันีัหาครแต่ถ้าเป็นิจิานานล้ขนาดต้ามาใหญ่ยิ่งไม่ได้ ผมว่มาสามไม่ได้ค่างเงี้ยถ้าอานค่างคิดอย่า ง, งนี้นะครับอันเป็นสังขาพิเศษข้ <c oughs> อนั้นนะผมก็ลืมบอกไปถ <c oughs> ้าเพราะว่าอะไรนะหนึ่งคือประจุข้อเท่ากับสามคือของช่างร้ายะครับเนี่ย ม, มีคิดอย่างนะะีออน้ครับผ่ะะบอกไว้ห น, น, น, น้าในเอกสารครับแล้วเป็นนิ้วเนี่ยเป็นรอบนิ้วเนี่ยเข้าประมาณคิดแต่ว่าห<ม>นึ่งนิ้วประจุข้ก็เท่ากับ6ก หกจุดยี่สิบห้าเซนตเมนะครับหกจุดยี่สิบห้าเซนนี่เขานี่คือเป็นอินก้าแนนนที่คิดออมาได้จรครัได้หกจุดี่สิบห้า้เป็นมาตราไทยนะครับสอองขึ้นหนึ่งสองสองขึ้นหนึ่งสองครับสามขึอนก็คือหนึ่งสองขึ้นใครับสามขึอนคือหนึ่งสองขึ้นหมนึ่งก็คือเท่ากับ หนึ่งต่อพลึใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นนิ้วเนี่ย่ครับเป็นนิ้วถ้าเป็นถ้าเป็นนิ้วองช่ไหนะครับมันจะตกที่นิ้วนิ้วก็คือยี่สิบห้าเนยี่ิบ้าเซนนะครับขึ้นขขึ้นคืนี่ขึ้นขึ้นคืนเนี่ยเราจะได้สามคืนสามคืนก็ได้แต่ตอนนี้เนีครับ ออคัครับอันนี้คือเป็นนี้นะครับนิ้วนี้มันถึงจะได้คืนสิบสองนิ้วใช่ไสิบสองนิ้วนะครับสองนิ้วมันได้่สินี่คือเจ็สิบห้าก็คือหนึ่งนิ้วเนี่ยหกจุดยี่สิบห้าเซนตาตอนี้นะตาตนี้หนึ่งนิ้วได้อกจุดยี่สิบห้าเซนนะห้าสิบสองนิ้วโอ้โหท หกจุดี่ิ้าคูณสสครับ วางไปกัูผืนผ้าให้ทรงต่าผืนผ้าจึงสรงยญาให้คำภาพปูนอนใหญ่ได้าตามไม่ต้องการวิธีทีิฐ า, า, า, านภาพปิะทับนั้นภาพปูนอนภาพปูนอนนั้นไม่จาํากัดขนาดและจมดกติดผืนก็ได้ใหญ่แค่ไหนก็น ไ, ได้ น, นะครับมีลักษณะเป็นต้นว่าสีเขียวก็ดีสีเหลืองก็ดีสีก็ไม่จํากัดนะครับ มีชายก็ดีมีชายจะลายดอกไม้ก็ดีนะครับจะนวดลายก็ได้ครับ right? มีให้จะลายผู้หญิงก so si. ็แล้วกันลายอไ้ได้ไหมด้ครับลายอกม้น่าได้ครับย่อมควรทุกประการไม่ต้องทำกับปะกพินทุก็ได้า้ก่อนใช้แท้ที่ฐานว่าอิมังปัจจัทรนามที่ฐานนี้ พระพเจ้าเป็านผ้าปาายุยนี้นเป็นผ้าปูนองหรืออิมานิปัดจัดธรดานาน้อภิษฐานิพรพเจ้าเปนฐานผ้าเหล่านี้ปเป็นผ้าปูนองเมื่อก่อนก็เคยใช้แค่ขนนนน้าปู น, น, นองธรรมดาเลยนะเพราะเราไม่ได้มาลุกมาหงส์อันนี้ อ, นอ๋อปูนองเฉยแล้ว ต่อไปห้าผ้าการหุปฏิชาที่เรียกอยู่ผ้าติดผีนะครับประทุมเหในาการอนุญาตผ้าหลุดปฏิชานที่ดีผ้าติดผีสมัยนั้นท่านพระเทลธาศรีศักดิ์บาที่ก็เป็นเวรธาศีศันะครับผู้เป็นข้กประชาของท่านพระอานลอาผ้ า, า, า, าเป็นรอดมีดนะครับผ้าร่งผ้าห่ามเกิดการติดตัวข้อาะน้ำเหลือเวลาน้ำเหลืองไหลนก็มาปิดผ้าทันะ น, น้ำหนึ่น้ำองเงี้ยเวลาขขาเป็นวิสูดมีสายนะใช่ไหมเจงก็เห็นนะนั่นแหละมันก็จะมาติดผ้าผ้างันจะติดทีด<อ>่ตัวเราพวกวิสุดต้อเอาน้าชุบเอาผ้าเหล่านั้นแล้วก็ค่อยเด้งออกมาทำไม น, นี้ก็ตนะาวแล้วใช่หผ้านจะครับก็ค่อยเช็ดค่อดึงครับเวลาผงเป็นแผลเป็นหลังออกนัน รือวพราะผ้าให้ได้ทรงทรามเรื่องแล้วจึงอ น, นุอง่ากผ้าปิดฝีแกะพิสุทธิ์ทั้งหลายที่เป็นหิน ต, ตุ่มพุ่มพองหรือปี ด, ดานขนาดของท่ากำหนดปฏิชาที่เป็นผ้าปิดฝีด้านยาวต้องไม่เกินสีน่พื้นผิวข้อนะคือประมาณสเมตรไม่ตองกลัวเลยยาวน่าจะาวมากสามเมตรนะครับด้านกว้างต้องไม่เกินสองพื้นผิวข้อ ประมาณเมตห้าสิบนะครับวิทยิฐานผ่ากระดุปปิชาที่ภาพสีเรื่องสีไม่มีระบุไว้แต่ก็ควรใช้สีที่สมควรไม่ต้องทากะะับปากพิทุก็ได้นะครับนี้เวลาเป็นโรคดังกล่าวแล้วก่อนใช้เนื้อฐานว่าอิมังกระดุปปิชาทีา่เนื้ฐานนี้ข้าพเจ้าเนืฐานผ้าผืนี้เป็นผ้าสีอันนี้มีเพียงผืเดียว และให้ใช้ชั่วระยะเวลาที่อาพ้าเท่านั้นเมื่อหายแล้วให้ทอแล้วที่ปกเก็บไว้ส ม, มัมนี้ก็ไม่ค่ได้ใช้นะไม่ใชถ้าส่วนใหญ่แต่ผ้ามือไม่ต้องผ้ากอกแต่ติดองก็ไม่ค่อยใช้เวลากรีสิ่งสีใสเก็ไม่ได้ใช้ <c oughs> ใชนะต่อไปมุขนค่าคุณชนะโจนาหรือผ้าเช็ดหน้า สมในในการอนุญาตผ้ามุกขาดปุญชนะโจระหรือผ้าเช็ดหน้าครั้งหนึ่งนางวิสาขาถือผ้าเช็ดหน้าเข้าไปะต่อมเขาผ้าถึงที่ประทับแล้วกล่าวทูมขอใพระองค์รับผ้าเช็ดหน้านพิมพ์ผ้าเจ้าสรงรัไว้และต่อมาก็ได้อนุญาตผ้าเช็ดหน้าแก่พิสุขหานขนาดของผ้ามุขขาดปุญชนะโจระหรือผ้าเช็ดหน้าไม่มีการมุขขนาดไม่แน่นอน แต่เมื่อจัดอยู่ในผ้าที่ควรพิถานก็ต้องมีขนาดอย่างน้อยด้านยาว8นิ้วสุดข้อก็คือประมาณ50เซนติเมตรด้านกว้าง4นิ้วสุดข้อประมาณ25เซนติเมตรและกว่านี้ก็ใช้นั่งหันเราแต่ไม่จำเป็นต้องพิถันนี้นะถ้าได้ขนาดเป็นพิถันที่ก็ได้ขนาดก็ไม่ต้องพิถานนะครับเพื่อนๆือนี้นั่งขนาด ไม่ถึงก็ได้ยาวไม่ถึงนะไม่ถึงท่าสิบเซนนะครับนั่งก็อา จ, จะได้แต่ได้าวไม่ได้นี้ก็ไม่ต้องอธิษานะะแล้วก็ใช้ไปได้เอาที่อธิษฐานข้ามุขขนชนะโจระหรือผาเช่นหน้าเรื่องสีไม่มีระบุไว้นะครับแต่ก็ควรใช้สีที่สมควร ก, ก็ถ้าใช้สีที่มันนมสูงขึ้นมาเฉยนะก็ไม่ได้มีระบุนะครับไม่ต้องทำกับป๋าเป็นทุกก็ได้ 5อันนี้ไม่ต้องฟังนะครับเพรมมาะไม่ละมั่งผมนะ5พิธานว่าอิมังมุขคุณชนะโจลาพิธามีข้าพเจ้าพิธามภาพผืนนี้เป็นภาพเช่นหน้าควรมีได้สองผืนเพื่อต้องการใช้เวลาที่ยังตั้งถือหนึ่งอยู่แต่พระเถระพวกหนึ่งกล่าวว่าการพิธามภาพเช่นหน้านั้นมุ่งการเก็บไว้เป็นสําคัญเลยกับมิกลับดังนั้นแม้บาวผืนก็ควร ถ้ามากผือนี่อธิฐานว่าอีมานี่นะครับคืเดียวเลยหน้าไม่ต้องอันเุยกัน็ได้อีมานิ่มือข้างคุณชนะจลานี่อธิษฐานนี่ข้าพเจ้าอธิษฐามผ้าเหล่านี้เป็นค่าเช้ดหน้าครับวันนี้ต่อไปบริษฐานโจหรือผ้าบริษฐานคำว่าโจนะาแปว่าผาธมดาโจลานะเราเลยนทีนี้นะครับเอามาเป็นบริษฐานผ้าผาบฐา ประทุมเหตุแห่งการยาาบริหารโจรืข้ามบริขารสมัยนั้นที่สุทธิ์ทั้งหลายมีตราจีวรบริบูรณ์แต่ยังต้องการผ้ากรองน้ําบ้างนย่าบ้านจึงนําเรื่องนี้ไปกราบคุณพุทธผู้ภาพเจ้าพร้อมจงอนุญาตบริขารโจรหรือข้ามบริสารวิทยาธิฐานบริหารโจรหรือข้ามบริหารเรื่องศีลไม่มีระบุไว้แต่ก็ควรใช้ศีลสมควรไม่มีการจำกัดขนาดและจำนวน เพื่อที่ฐานได้เข้าจำนวนที่ต้องการนั่นเทียวถุงยากก็ดีบางทีมีพวกเน้นต้นใช้ถุงยากเป็นสุนอย่างนี้เลยครับนะเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊เป็นแหววเป็นเกยไม่รู้ต้ใช้นะอันนั้นนะครับมันจะมีอว่าหนึ่งนะครับเข้าสร้างสีติ็นสีสุมพู ผมก็สงสัยเลยสติฉุนตอบัปตอบมาเนื่องพว่าเจ้าว่าเป็นประเภทนี้นะครับตัวทีอเาเจอก็เลยสร้างสติสิยมฟูเลยนะครับก็สติสิยมฟูครับ อานารย์ไม่รู้ว่าทำไมย้องสีนี้อาจารอ์นึกว่าใครใครคิดใช้สีนะครับของย่ามก็ดีภาพกองั้าก็ดีมีขนาดด้านยาวตั้งแต่แต่นี้ก็สุกคนนะครับคือยี่สิห้าคูนห้าสิบเหมือนเดิมนด้านกว้างแต่สีนี้ก็สุดพนขึ้นไปนะครับทัางเรื่องนี้ก็ไม่ต้องให้พิจารณาว่า อิมาจีวะลังปริขาละโจรังอธิฐานิพระพุทธเจ้าอธิษฐานผ้าผืนนี้เป็นผ้าบริขาดหรือหลายผืนนะครับอิมาเนจีวะลาน้ปริขาละโจรานิอธิธาาฐานิพระพเจ้าอิฐานผ้าเหล่านี้เป็นผ้าบริขาดแม้ผ้าที่มิถต้องการจะเกไว้เพื่อประโยชน์แก่งเทตัมนะ แอาจจะไปแรกยาอ น, นี้นะครับเลยกับพย่างลูหานว่ากาารรมา น, านด้มาทางบิดาเป็นต้นจะเก็บไว้ให้ยมพ่อหรือแม่นได้ฆ้าหาวไหมานะครับก็ต้องตินหาเหมือนกันแต่ถ้าแม่ตินหาก็ไม่เป็นอาบัติเนี่ยที่เราสังเกตไว้นัเพื่อเป็นยานะครับเป็นแตลกยาเพื่อนว่ากรรมช่วยค้พอแม่นะแม้ไม่ได้ติดห า, ถถาก็ไม่เป็น ไ, นไม่ต้องอาบัตเพราะว่าเก็บดิเด็กทีวอกไม่เป็นสิบวนัน ว่นไหมครั บ, รบมหมอแยาถามใจนะแต่ไม่หมอไม่ตืันทีนี้ส่วนในนาณาบริหารเหล่านี้คือพูกเตียงหนึ่งูกต่ำหนึ่งหมอหนึ่งผ้าปาวานหนึ่งผ้ากเช้าหนึ่ง และในเรื่องปูร่าที่พระสวามีเพื่อประโยแก่ินานสนบริการไม่มีกิจที่ต้องผานเลยแอันนี้มต้องละไม่ตไปแจกัการนข่าวไ้่านือถเจอภาพโปเช้าวอือเดก็ไม่รู้เหมือนกันมันะมีภาพปาวลาพช้าไอ้ปาวก็ไม่รู้จักดไปรู้สึนไงอีกาจะบอกไหมนะรู้ข้อมูลอย่างน้าวไม่แ่ะ อ๋อไปเจอไปเจอข้างหน้ารจลับ้างหอที่ิ์ผ้าตนี้นะนะครับมันก็เป็นผ้าลันษณะไหนนะมีชายหน้าเย็นชายสองหน้าอะไรอย่างนี้ต่อไปครับพันเตยลังมลเคยไปที่ตลาดนะแล้วก็โยว์วัดไปจอดแล้วแถดแถวที่ร้านผ้าปลีนะครับถ้าเกิไปหาโยก็รู้จ่ายผ้ามันก็ผ้าโอชานั่นแหละที่หา ร้านผ้าก็ยังไม่รู้จักครับ Gym. <quer course> ร้านผ้าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงขายผ้าโต๊ะชาวผ้าปางล้านะไม่รู้หรอกมันก็ยุคสมัยนะถ้าเราไปถามพุกนครับคนอินเดียมันมีาซจานนะครับคนไทยแค่รช้ว่าโภชาวอาถิฐานตังจีวรเป็นบริขารโจรด้านนะครับ บริฐานโจนี้เป็นเหตุแห่งการเก็บจีวรโดยความไม่เป็นอาธรรมอัน ห, หนึ่งเหมือนกับวิกัตนะครับดังนั้นสมควรที่จะทิฐานตรีจีวรเป็นบริขานโจและใช้สอยได้แต่ต้องถองจากตรายจีวรเสียก่อนแล้วถ้าทิฐานนะครับว่าอีมานจีวรังปริขารลโจรังทิฐานนี้ข้าเจ้ารบิฐานภาพผื น, นเป็นข้ามบริขารหรือถ้าหลานผืนให้ทิฐานว่า อีมานิจิเวลานิบริขาแล้วโจราเนี่ยถามนี้ขั้นประแจฐานข้าวนี้เป็นบริขาจองครับอันนี้มาในคอมพิวเตรตรงไลยนะในสมเด็จภาษาที่การผู้นกาษาศาร์ก็ว่าไว้อย่างนี้นะครับผ้าธรรมนาเนี่ยก็สามารถมาทางบริขาโจได้นะครับในสมัยก่อนถ้าปฏิบัติบัติในป่าในอะไรนี่นะครับถือเป็นสายจีวอนไม่สะดวกนะก็ถามบริขาจอบได้ แต่ถ il yeah, yeah. ้าใครต้องการถามเป็นบนไตจีวอก็น่าฝึกหนักจัรแต่ถ้าถามเป็นไตจีวอคือต้องถามนะต้องตัดทุกขัาที่ไม่ได้ตัดทุกขันก็ถือใช้ไม่ได้พามเป็นไตจีวอไม่ขึ้นพิารได้แก่เป็นบนขาโตสย่เดียวปะการการถามพิธานไตจีวอนที่อธิฐานแล้วจกการณการอธิฐานก็ด้เห็นเ้าประการคือหนึ่งให้ผู้อนไปครับ ให้คนอื่นไปเนี่ยเรามันจะเป็นต้องขออิทธาหรอกนะให้เข้าไปมันก็ขาดิทธาเองเเาตอปฏิฐานใเนี่ยเขาก็ปาไปสิาปฐานใหม่สองถุงชิงเอาไปนะครับมีโจมีอะไรนะขโมยไปคนะรับสามมีผู้ถือเอาได้วิสาสะเอ้าวเพื่อนเราวิสาสะไปกช่แล้วครับนะี่นก็ขาดฐานกันสี่หายไปเป็นคนเลวนะครับ ได้แก่พิสูจมีความคิดว่าจะหันไปเป็นคนเลวมีเพทตับอันนี้หมากร่างนะคยังไม่สึกแต่ไปทาปาชิกนะครมบอาจจะไปเสร็จเมทูนแล้วก็ไปถือเพทั์เป็นขารว่นะคปฏิญญาคารวะออกไปเลยน่นี้เขาเรียกว่าหันไปเป็นคนเลวนะทัศ น, นนี้รอันนี้จีวรย่อมละสขานไปด้วยการสืบแพทย์ถึงขั้นานโดยที่ไม่ไัะสุขฐา แต่มีการปฏิญาณนะว่าไม่มีผ้าง น, น, น, นะครับจะเป็นโยมไปเลยครับห้าวาสิขางานศึกหกมอนาผ้าแล้วผ้าขาดไปด้วยเจ็เศกับจากเพศชายการเพศหญิงนะนอนหลับไปนะครับเพศผู้ชายหายนะกายเทศผู้หญิงหัวเข้าลาหายนะครับรูปร่างอะไรก็กายมีที่มาที่ไปซีวันก็ขาดทิฏฐาน ผอคือยกเลิกการพิจารณาเป็นใจจีวรโดยการใช้คําพูดผอนว่าอิมังสังคาเต็งปัจุตทรามิพระพุทธเจ้ายกเลิกหรือว่าถอนะท่าสังติผืนนี้หรืออิมังตระสารสังคังปจุตทราีิหรืออิมังอุปันตราวารสกังปจุตทารามิพระพเจ้ายกเลิกท่าสังกติผืนนี้หรือจุด เขอาจลาสมพืนนี้หรือจุดผ้าจะได้วาสศพผืนนี้ครับเนี่ยเป็นกรณีที่ภ้าที่จะถอนอยู่ในทบบาทแต่ถ้าอยู่นอกทบบาทให้เปลี่ยนจากอีมังนี้เป็นเอตังนั้นน้องครับถ้าอยู่นอกทบบาทก็สามารถขอนได้แต่ ใ, ใช้คาว่าเอตังนะครับ เขียนไว้เก oh, yes. ิน well, ิบบาแล้วเนี่นทำาชีพไม่ได้เอเกินด้วยนครับสงสัยว่าไดนแลยายามไม่ได้า้ก็ใช้มันเรื่อยๆเกินสิบบาทรื่อยคือความสงสัยแล้วก็ยังเขียนไว้ใช้ต่เรื่อยๆไม่ได้ติดฐานขึ้นมาใหม่มันก็ต้องแบบทุกกดทุชัทุกกบถ้าอันนั้นน่ยมันได้ฐานไปแล้วเราต้องมาทุกดถ้านั้นไม่ได้ฐานก็ต้องใหม่อนเสียไปที แต่ว่าถ้าเราสงสัยอย่างนี้นะถ้าก็ให้ธิษฐานน ะ, นนะครับะเพราะถ้าถว่าสงสัยนะมันก็ไม่เหตุการณ์บอกไม่ได้นะอาจจะได้ยินขานแล้วหรือม่ไินานก็ให้สานะครับสาบกอนเขา อ, อนำวินัยกรรมแล้วก็มาอธิษฐานใหม่นะครับแล้วก็ไปอธิษน มันหายไปแล้วสงสัยเขาไม่งไม่ได้ทำครับอันนี้ก็ต้องทาใหม่ครับต้องต้องกษาครับอาอันนี้ไม่ต้องศึกษาครับเป็ผไม่ใช่ผครับเป็นผู้ใหม่ครับเป็น้ใหม่แล้วยังหนึ่งการทำสีพวกด้วยสีที่ไม่มีในุงบาลีหรือว่าไม่มีในที่ก็แบ่งนะครับสีน้ำเงินไปเลยข้อหงบอกว่าสีเขียวพา สีดำขาสีเขียตมสีใดๆถูกไ่มครับแต่เราสีน้ำเงินประการสน้เงินใส่ไปเลยนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับมันก็ไม่ถึงทุ่นะครับก็ต้องมาทำใหม่ ก็จะทํำกันที่มุมท่านก็บอกว่าไม่เป็นต้องระบายสีทั้งผืนหรอกแค่ทำที่มุมดนึงก็ได้แล้วสีน้ำเงนี่ท่านไม่สงเคราะห์โลกทำไมไม่ได้นะครับเพราะท่านท่านจะมีของที่บาดนะสีแต่ละอย่างเป็นยังไงบางคนบสงเคราะห์อ้าสีน้ําเงินก็คือสีเขียวแหละสมัยก่อนคนไทยก็เรียกสีน้ําเงินว่าสีเขียว แต่ว่าคาที่บาลชัดเจนว่าเสีมันคือสีอะไรอสซีเขียวคือสีอะไรครับบอกสีเขียวใบไม้ครับอเนี่ยนี่นะใบไมา้นะไม่ได้เขียวเป็นน้าเงินนะเขียวใบไม้เขียวไว้ม้แล้วก็เขียวแบบสมิ์นะครับแล้วคือจะเขียวอย่างเงี้ยพอมาดูคำที่บาลคือชัดเจนเลยจะไปตีความว่าเขียวก็คือน้ําเงินของคนไทยนี้ไม่ได้ครับเพราะคำที่บาลชัดเจน ต่อไปนะครับอันนี้นะข้อก้างนครับข้อก้างเนี่ยเป็นการขาดที่ฐานนะครับเฉพาะของไตจวอนนะอาทิที่ขาดเป็นไตนะครับสัน ต, ตันตีวอนแล้วก็ขมบงนะครับส่วนที่เหลือนะข้อก้างจะไม่าขาดไม่ขาดนะครับมีขาดแต่เป็นไตจีวอเป็นช่องทะลูกขนาดตั้งแต่หลังเล่บนิ้วก้อยขึ้นไปนครับถ้ารูปแบบแล้วนะ่าถ้าลูกเบตั้งเลยนะ ไม่มีด้าอะไรเหลือติดอยู่ม้สเส้นเดียวนะครับที่ยังเหลือติดอยู่ในช่องท่านลู่ยังเชื่อมมันอยูนะตรงนี้ก็ยังยังไม่ขัดนะครับอันนี้ขดาดขึ้นไปเลยถ้าเป็นผ้าสังกะสกับผ้ากระดาษสองหนึ่งจ่าไปก่อนน ะ, ระนครับแล้วก็จะชี้เพื่อนที่หะดูคล้ายนะครับช่องท่านลู่ต้องอยู่ตรงเนื้อในของผ้าวัดจากชายด้านยาวเข้าไปประมาณหนึ่งคืบวัดจากชายด้านกว้างเข้าไปประมาณแปดนิ้ว ถ้าเป็นผ้านตลรางศพหรือสมองเราให้วัดสั่ชายด้านยาวเข้าไปประมาณหนึ่งคืมเหมือนกันชายด้านยาวก็ราว่าเขาเป็นคืมวัดจากชายด้านกว้างเข้าไปประมาณสี่นิ้วถ้าช่องทะลุอยู่ภายนอกออกไปจากตำแหน่งดังกล่าวนี้ไม่ทําให้ขาดทิฐานนะครับอันนี้เรามาดูในผ้าจีวรครับที่วาดให้นะเรามาดูชายด้านยาวใช่ไหมครับเขาบอกว่าจะเป็นสังคันติกีวรหสมองก็แล้วแต่นะ เราเวลาวัดนะครับไม่ได้วัดตรงตรงชายผ้านเดียวนะวัดจากตัวนว่านะครัด้านในของนุ่นว่านเข้ามาของเราเพราะว่านุ่นวานมันเป็นผ้าอีกพื้นที่เรามาออกใส่ใไหมครับเรานั่นก็วัดจากแต่ด้านในของนุ่นานที่นูกสอชี้เข้ามานะครึ่งคืนนะตั้งแต่หัวลูกสอเข้าไปนะครับเมื้นที่ข้างไหนเข้าไปนะถ้าเป็นพื้นที่ข้างนอกแล้วลูกสอนออกมาเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นชายด้านก้างนะ ถ้าเป็นสังคติกจีวอนะครับว่ดจากเนี่ยด้านในของอนุว่านเข้าไปแปดนิ้วห น, นึ่งคนี่พื้นที่ภายในนั่นก็แต่หัวลูกศนเข้าไปนะครับในถ้าสังคติกจีวอมีช่องทะลุถังเล็ก น, นี้ค้อยติดด้านเลยนะครับนี่ก็จะขาดพิธานถ้าในพื้นที่ข้างนอกมันก็ยังม่ขาดพิธานนะครับแต่ถ้าว่าเป็นสมองเนี่ยเราวัดจากชายด้านกว้าง น, นะครับตั้งแต่นนเนี่ยด้านในของอนุว่านะ เข้าไปแค่สีนี้มันพจากหัวลูกศรอย่เข้าไปเนี่ยถ้าเป็นชอ่องทะลุในพื้นที่นี้นะครับก็ขาดสาิศฐาถ้าขาดทิศฐานให้ทํำยังไงเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นชอ่องทะลุในตำแหน่งลำไสครับผ้านั้ น, น, น, นย่อมตั้งอยู่ในฐานนั้นแห่งมีแต่จีวรผ้าที่ไม่ได้ทิศฐานหรือไม่ได้ที่กับควรทำการปะ น, นะครับแล้วก็ป่ะให้เรียบร้อยนะแล้สทิศฐานหมด เาใ น, นสวันไม่เกิส่วนผ้าที่เือของชนิดทีอ่อมิฐานกัแล้ ว, ลวจะขาดการติดฐานไปด้วยเหตุแนะปลกอะเนเหตุที่ก้าวตบริษานบริษารจอเนี่ยจะทะลเป็นรูเลยนะเท่ากมางปั้งอะไรก็แล้วแต่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ขาดบริษัทนี่ครับอันนี้ค ร, รับบ่งนตะัทีบ่งคาคาสลับผ้าคำสลับผ้าคอนเทนต์ก็เกินภาษาไทยก็ได้ครับ เขาจะอยู่ในสิทธาหมดนี้ครับ้าแล้วแต่ละสิทธิาหมดทุกอย่างในข้รับู้เปเจ้าขอสดงภาพนี้แก่ท่านภาพนั้แล้วก็บอกว่าภาพปุรนี้ใช่ไหมเ่าเขียนไว้กันสืบบันนะครับผูดภาษาธรรมดานัภาพปุรนี้นะครับหลายๆีวีพระผู้เป็เจ้าเขียนไวกันสืบบันเป็นของจำใจนะครับนี่สิกียะพระผข้เ็เจ้าขอขอแสดงภาพปุรนี้แก่ท่าน